สัตว์ทั้งหลายไ ม, ไม่ไม่มีทางออกจากวะตะัตฏะใดก็ดิ้นรนหาวิธีที่จะออกจากกองทุกข์ส่วนมากจะหาวิธีให้พ้นจากความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นคนที่อาคิดจะออกจากวะตะนะัตฏะก็มีเหมือนกันก็พยายามหาวิธีการบางคนก็ไปหัดเข้าชานไปเป็นพรหมคิดว่าจะออกจากวัฏตะได้สุดท้ายก็ตาย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 ว่าพวกเราถ้าเป็นบินอูชนนะคนซึ่งมีเหตุมีผลเขาลบในเหตุในผลสามารถยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ตามท่านได้ออกจากวัฏตะได้ถ้าเรามีหูมีตานะเราะระลึกได้ถึงการเวียนไว่ายตายเกิดเราจะรู้ว่าวัฏตะนี้น่ากลัวหรือถ้าเราะระลึกของเราเหตุไม่ได้เราเห็นสัตว์ตายสัตว์เกิดอะไรอย่างนี้เราก็รู้ว่าน่ากลัว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 เวลาเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายไม่ได้ทุกนะแต่ ใ, ใจมันทุกเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วไม่สมอยากเนี่ยร่างกายไม่ได้ทุกแต่ ใ, ใจมันทุกนี่เป็นอาการปรากฏของทุกทางใจความทุกข์นั้นถ้าตรับใดที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรานะแล้วก็เราเข้าไปยึดถือเอาไว้ ความทุกข์มันแนบอยู่ที่กายความทุกข์มันแนบอยู่ที่ใจมันก็เท่ากับเราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองไว้เหมือนเราไม่รู้จักงูเหา่าเราเห็นว่าตัวมันสวยดิแวววาวดำ ด, ำดำสวยเวลาถูกแดดเกล็ดของงูเห่านะสะท้อนแดดเนะียเป็นสีรุ้งเลยสวยอย่างกับอัญญมณีที่เคลื่อนที่ได้เราไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยเราก็ไปจับเล่นกายนี้ใจนี้เหมือนงูเหา่า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 เอาตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาการหยิบฉวยมาซึ่งตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาหยิบเอาฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาคือหยิบเอากายเอาใจมานั่นเองความทุกข์ก็ติดเหมือนด้วยเพราะว่าตาหูจมกูกลิ้นกายใจหรือกายใจของเรานะี่ยแหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะเพร่ะฉะน้นอใจเราไปตะครุบเอา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 เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่พอใจใจก็ดิ้นหนีอยากให้ให้พ้นมันไปอยากให้หลุดไปนะใจที่ดิ้นรนก็นำความทุกข์มาให้อีกนะมันจะรู้สึกว่ามีเราขึ้นมาเรานี่แหละทุกเรานี่แหละเจอสิ่งที่ไม่ดีอยากให้เราพ้นพ้นไปนะงั้นพวกเรามาหัดกรรมฐานนะมาหัดกรรมฐานที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นอะไรเลย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 ราคาแทรกนะก็กิเลสปลุงขึ้มานะตันหาก็ต่อทำงานอยู่ที่ความไวของสติถ้ามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นเรา เ, เห็นว่าความสุขตั้งอยู่แล้วดับไปกิเลส่าไม่แทรกเพราะสติมันทำงานทันแต่ถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วสติทำงานไม่ทันนะกิเลสแทรกถ้าราคาจะแทรกถ้าราคาแทรกขึ้นมาเรารู้ทันราคาก็ดับ ใจก็ไม่ดิ้นหลนต่อแต่ถ้าราคาแทรกแล้วเรายัางรู้ไม่ทันเกิดความอยากไปตามอำนาจของราคะมีความอยากแล้วคราวนี้จิตต้องดิ้นแน่นอนนะความอยากเป็นตัวสมู ท, ทยจิตต้องดิ้นรนจิตต้องมีความทุกข์แน่นอนห้ามไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้แล้วบางคนสติไปเกิดตอนที่มีความทุกข์แล้วเราอย่าไปหวังว่าความทุกข์จะดับนะความทุกข์เป็นเป็นวิบากแลเป็นผลนะต้องรับกรรมแล้ว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 ตากระทบรูปผู้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันฝึกให้มากนะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าสุขเราก็รู้จักทุกข์เราก็รู้จักอยู่แล้วนะ่นกันมันจะตัดวงจรของปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่ว่าเพราะมีเวทนาก็ เ, าเลยมีตัณหามีตัณหาเกิดความยึดถืออุปาทานมีความยึดถือเกิดภพ พบก็คือการดิ้นรนของจิตมีพบก็คือมีมีชาติคือการที่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเรานะมีชาติก็มีทุกขนะ์อย่างบางคนไม่เข้าใจนะพระโสดาบันบอละสักกายทิฏฐิเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วถ้าไม่อย่างยึดถือโกโคล อ, อนกันละสักสักกายทิฏฐิไดนะ้แต่ใจไม่ยังอร็สอร่อยในอารมณ์นะมันยังไป จับอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ไม่ทันโสดาสตะกัตตาคาอนาคาเนี่ยยังรู้ไม่ทันหรอกจิตยังปรุงพบปรุงชาติอยู่นะ ย, ยังยึดถืออยู่ยังยึดถืออยู่พระนาคาก็ยึดกายยึดใจอยู่ยังไปเกิดอีกการที่เราคอยมีสติรู้ทันความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทั น, กก น, ทนชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมากมายความทุกข์จะสั้นลง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 เมื่อไรมีสติก็เอาตัวรอดได้เมื่อไรขาดสตินะกิเลสก็มาครอบใจเราอีกตัณหาก็เกิดความดิ่นรนของใจก็เกิดการยึดถือในกายในใจก็เกิดเป็นลำดับลำดับนั้นการจะมาต่อสู้ด้วยสติเนะี่ยยังไม่ใช่แก้ปัญหาถาวรจะแก้ปัญหาถาวรได้ต้องสู้ด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นต้องอาศัยสติไปก่อนถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญานะการที่จะมีปัญญานั้นทำอะไร ก็ อ, อาศัยสติเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจเราเรื่อยๆไปอย่างร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่กนระะทบอารมณ์เราก็รู้สึกนะหรือร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าเราคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเนะนี่ยเราขยับการปฏิบัตินะมาดูที่กายที่ใจให้มั่งนะหรือใจเรามีความสุขก็ให้รู้ใจมีความทุกข์ก็ให้รู้นะ ในใจเราเป็นกุศลก็ให้รู้ใจโลภโกรดหลงก็ให้รู้ขยับออกมาเรียนรู้กายรู้ใจนะถ้ารู้อะไรไม่ได้ก็รู้ไอ้ความสุขความทุกข์ของเราต่อไปแค่นั้นก็พอแล้วนะไม่ทำกรรมฐานอะไรมากมายนะแค่รู้ทันความสุขความทุกข์แค่นี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ว่าต่อไปที่แรกมันจะรู้ด้วยสติมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันกิเลสไม่แชรกตัณหาไม่เกิด จิตไม่เข้าไปยึดถือความทุกข์ไม่เกิดต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นการที่เรามีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจบ่อยๆมันจะเริ่มเห็นว่าความสุขเปนของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความสุขมาจากไหนความสุขมาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ก็มาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา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 กระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสัมผัสทางกายกระทบความคิดนึกทางใจพอกระทบแล้วก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดดีบ้างร้ายบ้างอะไรนะก็ปรุงแต่งต่อตไปเกิดทุกขึ้นมาเนี่ยสติปัญญานะมันค่อยแกกลากขึ้นแก่กลากขึ้นมันจะเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นต้นต่อเป็นต้นต่อพอไปกระทบอารมณ์แล้วนะ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 ค, ค่อยฝึกไป ไ, ได้ผ้าโสดาบันหรือเราเห็นว่าสุขทุกข์ก้อไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เสร็จแล้วปัญญาจะขยายตัวไปนะเริต้นเนอะดูสุขดูทุกข์ก่อนก็ได้ค่อยขยายละเอียดลึกซึ้งเข้าไปไม่ใช่เห็ น, นสุดท้ายมันจะเห็นนกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละ สิ่งที่เรียกว่าจิตใจก็คือตัวใจนะตัวที่รับรู้อารมณ์ทางใจเราเห็นมันทํางานมากๆปัญญามันแก่กล้าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นตรงนี้ยังไม่พอเห็นตรงนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นหรอกจะได้พโพสต์ดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นต่อไปอีกดูไปเรื่อย ๆ, ๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันมากพอไม่จะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์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 ได้กลิ่นได้รสต้องได้ยินอะไรเนี่ยเป็นภาระของจิตเคยเห็นบ้างยังแสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอนาคานะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นภาระมากเลยนะกายนี้เป็นภาระเป็นภาระมากแต่ถ้าไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นไก่ร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นไหมเป็นภาระอย่างร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเห็นเป็นภาระยังมองภาพรวมๆนะอ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 หรือผมเหม็นสาบต้องไปสะผมสะผมแล้วต้องไปทำอะไรทำให้แห้งไหเอาใดเป่าเอาใดเป่าแล้วผมกรอบไปหาน้ำมันมาใส่วกนะาภาระต่อเนื่องเยอะนะเนี่ยทรงนี้และ ว, วิเศษที่สุดเลยเมื <c oughs> ่อก่อนหพ่อผมยาวอย่างพวกเรานะรู้สึกภาระเยอะชะมัดเลยนะพอโผล่ได้แนละ้วโอยมีความสุขนะมีความสุข นี่ยังนึกอยู่นะเมื่อไหร่จะหัวล้านให้หมดนะไม่ต้องกโกนัวยิงโมสบายมากเลยพวกเรากลัวหัวล้านไหมกลัวหลวงพ่อเนี่ยไฟฝันนะถ้าหัวล้านไม่มีผมสักเส้นเจะดีใจมากเลยไม่ต้องกลัหัวแค่กนหัวยังมีภาระเลยนคนไทยนะ้ภาษาก็แปลกนะกนหัวก็ได้ใช่ไหมกลัวผมก็ได้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ตัดหัวก็ตัดผมไม่เหมือนกันะ ภ e, าษาของเราเนี่ยสุดยอดเลยฝรั่งน่งงเนี่ยแค่หัวอย่างเดียวแค่ผมอย่างเดียวก็ภาระเยอะนะถึงเทา้าเล็บเท้ามีภาระไหมต้องทำอะไรบ้างต้องตัดเล็บต้องทำอะไรต้องขัดต้องโอ้โอยเยอะแยะบางคนทาสีด้วยทาสีย้อมสีบางคนติดเพชรติดพลอยด้วยนะภาระเยอะนะถ้าไปหัวถึงเท้าเนีย เนี่ยเราเห็นแต่ภาพรวมนะแต่ละสติปัญญาเรายัางยังไม่ถึงวว่ามีตาก็ทุกมีตาทุกข์เพราะตามีหูทุกข์เพราะหูเอ้าถ้ามันทุกข์แล้วทำไมไม่เอาไม้ทิ้มให้ตาบอดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นก่อนลงทุกข์ก็จริงนะแต่เป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญามันเป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสก็จริงแต่มันเป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญาด้วย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 เราจะพบว่าขันมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่นะรูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ไม่มีเจ้าของทุกวันนี้มีเจ้าของดวออกไหมตาก็ตาของเราใช่ไหมหูก็หูของเราจมูกได้กลิ่นก็จมูกของเราลิ้นก็ลิ้นของเราใจก็ใจของเรามันมีเจ้าของ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 ต้องให้มีจิตผู้รู้ไว้ก่อนอย่าอยู่ๆจะไปปล่อยตัวผู้รู้ทิ้งนะถ้าเราทิ้งตัวผู้รู้ในขณะซึ่งกิเลสเรายังมีอยู่ทุกวันนี้ยมันจะเหมือนเราทิ้งเรือกลางทะเลเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยจิ้งเรือจิตเนี่ยเหมือนเรือนะตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรือพอเรือมาถึงฝั่งนะเราก็ถีบเรือใช่ไหมเราก็ถีบเรือกระโดดข้ามเข้าฝั่งเราทิ้งเรือตรงที่จะเหยียบฝั่งแล้วล น, นั่นแหละไปทิ้งขณะนั้น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 อายตนะทั้งหลายเป็นกองทุกรูปธรรมนำมาทำทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวนี้มันจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรในขณะใดที่รู้ทุกข์นะขณะนั้นจะละสมุทัยในขณะใดละสมุทัยในขณะนั้นแหละจะเห็นนิพพานเห็นนิโรธในขณะนั้นแหละจะเกิดอรหัตธรรคนะจะเกิดทีเดียวกันในขณะจิตเดียวกันเลย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 ถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องละกิเลสอีกละจะละครั้งเดียวนะละแล้วละเลยไม่มีกิเลสต้องละอีกต่อไปงานอันนี้เสร็จแล้วนะงานที่จะพนทุกเนี่ยเสร็จแล้วเราถอนตัวออกจากวัฏ ต, ตะได้แล้วใจไม่ต้องวนเวียนต่อไปอีกนะถ้ายังมีวิชาอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์สุขทุ ก, ทกมามันจะหลงต่ออย่างเป็นพระละหันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันก็ยังมีความรู้สึกนะมีความรู้สึก แต่ความรู้สึกทุกเนี่ยมันเข้ามาได้แค่ร่างกายแต่มันจะไม่เข้าที่ใจความรู้สึกทางใจเนี่ยมีสองชนิดท่า น, นั่นเองคือความสุขมันเรียกว่าสมนัตมีความสุขจะมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีตอย่างหนึ่งเมื่อใจที่มันฝึกดีแล้วนะมีความสุขท่านถึงสอนบอกจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ประโยคนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนะอย่างเราฝึกสมถะเราก็มีความสุขเพราะสมถะ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 หัดเจริญปัญญาจนเกิดอริยามรรคแต่ละระดับเกิดอริยผลแต่ละระดับมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะขั้นสุดท้ายครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันสุขปางตายนะท่านลำพึงลําพานวสุขขนาดนี้มีด้วยหรือนะสุขแทบตายเลยเวลานั่งอยู่กับท่านนะดูท่านมีความสุขบางองค์นะอย่างหลวงปู่สุวัตนะท่านก็บอกสุขแท้นอ้อสุขแท้น้อนะท่านพิการไปนอัมาพาตนั่งรถเข็นอยู่ ท่านบอกท่านสุขแท้นอเราเดินไดนะ้เราทุกแท้นอ <c oughs> ไม่เหมือนอย่างท่านนะเห็นท่านแล้โอ้มเมื่อไหรเราจะสะอาดอย่างท่านนะร่างกายท่านสบักสบอยนะี่ยใจท่านงามครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ทัี่งามในนี้ก็มีหลายองค์ที่งามงามที่สุดองค์ไหนพระพุทธเจ้างามนะงามเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือพวกพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย ถ้าเป็นคนดีก็งามนะตามลําดับพวกเราใจงามไหมใครรู้สึกใจงามบ้างก็งามตามชั้นตามภูมิแหละใช่ไหมอย่างน้อยตอนนี้ก็งามกว่าเมื่อก่อนลนะเมื่อก่อนเนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้จนถึงหน้านะถ้าใจเราหมอมหน้าก็หมอมนะใจเราสว่างหน้าเราก็สว่างเมื่อวันเพฤหัสไรเนี้มีโยมที่มาอยู่วัดวันเพฤหัส โยมที่มาอยู่วัดคนนึงนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามันแปลกความรู้สึกมันแปลกมันรู้ตัวนะแต่มันเบามันสบายมันว่องไวคล่องแคล่วนะมันรู้เนี่ยฝึกมาตั้งหลาย10ปีแล้วเพิ่งเป็นอย่างเนี้ยเลยถามเขารู้สึกสว่างโปร่งใสาภายในไหมบอกรู้สึกบอกลองไปส่องกระจกดูในห้องน้ําตรงนั้นนะ่ะมีกระจกนะไปดูกระจกแล้วเปิดไฟดูด้วยนะแกก็เชื่อนะไปเปิดไฟ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 ก็พยายามดูต <American raising eyes> ่อไปก็เห so ็นว so, ่าเออมันเป็นมันมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ที่เกิดตอนนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยมันก็ไม่ได้รู้บ่อยคือรู้ยิ่ไม่ได้คิดเองอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยแล้วก็เอ๊เราผิดขั้นตรงไหนก็เลยย้อนกลับไปไปดูเรื่องกายไปนั่งศึกษาเรื่องกายให้เห็นธาตุดินกับธาตุลมในตัวแต่น้ากับไฟเนี่ยเห็นไม่ได้ก็รู้สึกได้กับดินกับลมแต่ก็รู้ด้วยใจ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 เราถึงจะเห็นกระบวนการทำงานธรรมดาของมันนะก็ยงภาวนาใช้ได้แล้วล่ะไปภาวนาแล้วพอจะใสขึ้นบ้างหรือยังคะอันนี้ดูด้วยตัวเองนะใครมีกระจกให้เขายืมหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่าว่าแต่จะดูด้วยใจนะหน้ายังเปลี่ยนเลย <c oughs> เคยเห็นไหมหน้าบางคนเราเห็นเราก็กลัวแลวไม่อยากเข้าใกล้ใช่บางคนหน้าตาไม่สวยนะแต่ว่ามันพองใสมันดูดี ขอบพระคุณเลคะของโยมสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความคิดนะปัญญามันล้ําปัญญามันเยอะไปนะอย่ากกลัวโง่นะดูซื่อๆไปดูสบายๆสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าตุ๊อย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะปัญญามันก็จะถอยเแกมแจ้งขึ้นแกมแจ้งขึ้นการเห็นปฏิจจสมบัติเนี่ยท่านจะเห็นย้อนลงมา ขนาดพระพุทธชาตาก็เห็นย้อนลงมานะจะต้องเห็นจากของหยาบไปหาของละเอียดนะจะไปเริ่มต้นจากต้นต่อคืออวิชชาเพื่อจะไปเห็นทุกข์ไม่ได้เพราะอาวิชชาละเอียดมากเราต้องเห็นตัวทุกข์กเป็นตัวที่หยาบมากนะแล้วก็จะดูจากตัวหยาบไปเจอสติปัญญามาละเอียดมันก็จะไปเห็นธรรมที่ละเอียดละเอียดขึ้นเป็นลําดับลําดับนะนะต่อไปกลาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ ช่วงนี้ก็จะเห็นความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็โทสะเยอะยิ่งเวลาที่เราได้ยินเสียงนกหวีดแล้วก็ไปฟังเขาพูดแล้วก็เหมือนสติแบบไม่ได้อยู่ใจมันเป็นฟุ่งอยู่ที่นั่นเลยอะคะ่ะนี่ลูกศิษย์ลวงพ่อประโมทนะนะต้องรักษาจิตไว้นะ <c oughs> สมมุติว่าไปฟังเขาพูดนะเราก็ดูจิตของเราไปนะรักษาใจเรานนะ <c oughs> คืออย่าไปเกลียดอย่าไปรักอย่าไปเกลียดไข่เขาง่ายๆนะ ความรักเกิดขึ้นก็นำความทุกขมาให้ความเกลียดเกิดขึ้นก็นำความทุกขมาให้เราควรจะมองคนอื่นในฐานะว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกกันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกกันนะเพื่อนร่วมทุกคนนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะงันก็เป็นตามกรรมนะแต่บางคนคนเาก็รักบางคนคนก็เกลียดก็เรื่องของกรรมอีกนะแต่เราอย่าไปเกลียดเขาถ้าเราเกลียดเขาแล้วเราทำกรรมใหม่ของเราแล้ว ขอคำแนะนำจากหลวงพ่ อ, อค่ะคำชี้แ น, น, นระนะครัรักษาจิตไว้นะ<ฮ>ะเราพอวนาให้มากๆนะค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ลูกตั้งใจเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะ อ, อืมดีก็เมื่อเห็นว่าจิตมันยึดอะไรแล้วมันหนักการหนัก<ช>หนักมากจิตยึดอะไรก็หนักนะเออตอนนี้เราเห็นถูกแล้ว <ฮะ S 2> ต่อไปมันหนักกว่านั้นอีก ตัวจิตนั่นแหละหนัก<ม>เคยได้ยินไหมว่าขันห้าเป็นภาระ<ม>เป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปไม่พ้นจา ก, กทุกข์ทังปวงพระริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงแล้วไม่หยิบของหนักใหม่ขึ้นมาอีกกนะ็ลเลยพ้นจากทุกข์งั้นเราหัดภาวนาเราก็จะเห็นของหนักนะ<ม>นั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์รู้สึกภาระไหมภาระแต่ว่าใจต้องเป็นกลางนะ จะไปเกลียดมันจะไปเกลียดมันได้ยังไงจะห น, นีไปอยู่ที่ไหนเราก็เอากายไปจะห น, นีไปอยู่ที่ไหนก็เอาใจไปหนีมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันมพาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะต้องอดทนนะประเภทน้ําตาหนองหน้าเลยภาวนาประเภทมันทุกข์แต่ว่าถึงไม่ภาวนาน้าําตาก็หนองหน้าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเยอะแยะนะ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 ตอนนี้ที่ปฏิบัติในรูปแบบก็คือสวดมนต์แล้วก็จงกรมดูดูกายดูใจในว่านวันเท<ม>่าที่นึกได้นะครับราคาสงบลงบ้างปฏิฆาอย่างเยอะอยู่คือราคามีสงบลงบ้างโทสะยังมีเยอะอยู่แล้วก็เป็นมณาะาตาเยอะตอนนี่ภาวนาที่ความเห็นที่ได้ก็คือว่าความทุกข์ในกายไม่ไม่ได้มาจากกายแต่จะไปอยู่ที่ใจแล้วก็บคัคขก็เห็นเหมือนว่าตัวใจเองเป็นทุกข์เอง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 สังเกตไหมยิ่งเรารู้ทุกเรายิ่งความสุขมากขึ้นยิ่งพาวนาจะมีความสุขเรายิ่งพอวนาก็เห็นทุกมากขึ้นมากขึ้นเจนในที่สุดเห็นเลยมีแต่ทุกนะอย่างอื่นไม่มีเลยแล้วใจก็พลากออกจากทุกแนละ้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกต่อขอบพระคุณครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วละ่ะดี เอ อ, อันนี้ยมขอเอโหสิกรรมก่อนได้ไหมคะขอโหสิกรรมไม่ได้ขอขามาได้หลวงพ่อใหญ่กว่ากรรมไม่ได้ขเขอขมาหลวงพ่อคะ่ะกายกรรมนะวจีกรรมมนโนกรรมเด่นนะหลวงพ่อรับทราบนะค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตด้วยเลยนะคะ<า>พ่อกะว่าจะงไงก็ต้องดูถูกอีกเนา ะ, ะเอาเอาได้ใจดีคือเราชอบขออโหสิกรรม โอโหสิกรรมเนี่ยา ก, กรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วนะมันจะไม่ให้ผลต่อไปเงั้นกรรมเนี่ยมีกรรมต้องมีผลนะยังไงก็ต้องมีผลที่เราขอกันได้เ้าเรียกขอขมาขอโทษอะไรา ง, ง น, น้นะเป็นการประกาศว่าเราได้ร่วงเกินต่อไปเราจะระวังนะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นวิธีการที่ดีเป็นเส้นทางในอริยวินัยที่กล้าเปิดเผย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 เห็นหรือเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิมหนโยมเหรอคะใช่ค่ะนะภาวนานะแล้วค่อยดูไปแยกแยกธาตุแยกขันให้ชำน้ชำนานนะดูธาตุดูขันแต่ละขันเขาทํางานของเขานะอย่าไปแทรกแซงขันนะพื้นฐานขี่โมโหไหมขี้โมโหค่ะเออนะเดี๋ยวนี้โมโหกับตะก่อนโมโหก็ต่างกาันดวออกไหมดูออกค่ะเออนั่นะแหละพัฒนาการนะ่ะ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 ไม่มีความสุขขนาดนี้เราจะรักพระพุทธเจ้านะ mm hmm. ไปภาวนาหลวงพ่อโยมถามนะคะ mm hmm. คือตอนนี้วิถารละธรรมของโยมค่ะโยมเปลี่ยนมาเจริญเมตตาถูกต้องหรือเปล่าคะถูกจเจริญเมตตานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปพนะื้นเดิมเราร้ายมากนะร้ายแบบชื่อดคอได้เลยเพราะงั้นเราจเจริญเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะ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 อันนี้มันคือการทําสมถะหรือเปล่าครับอะไรนะมันคือการทํมมราสมถะหรือเปล่าใช่แต่ต้องทํสมมาสมถะก็ต้องทํานะไม่ใช่ว่าห้ามทําแต่ทําด้วยปัญญาอันยิง่งพระเจ้าสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือส ม, มถะและวิปัสสนาเพราะฉนั้นเราต้องทํมมาสมถะให้ใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสงบมีความสุขถ้าใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสุขความสงบแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะ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 กา น, นมาชการหลวงพอ่อจังไงหลวงพ่อคะวันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจะส่งกันบ้านแต่หนูมีความตั้งใจอย่างหนึง่งอยากจะขอกราบขออนุญาตหลวงพอ่อค่ะมอบของขวัวันเกิดให้แฟนให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติให้เขานิดนึงเพรโอกาสที่เขาจะเจอหลวงพ่อน้อยกว่าหนูไหนแฟนอยู่ไหนล่ะใครเป็นแฟนคนนี้ <laughs> มีคนแอบยกมือด้วย <laughs> ทำไมต้องการเลยก็คือ อ, อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําการปฏิบัติให้เขาปฏิบัติค่ให้เขารู้ทันใจของเขาเองนะอย่างตอนเนี้ใจตื่นเต้นดูออกไหมใจมันตื่นเต้นเราก็เห็นใจมันตื่นเต้นนะเราดูใจของเราไปเรืใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราตื่นเต้นใจเราเป็นยังไงรู้ทันมันไปด้ื่อยๆนะฝึกอย่างนี้ก่อนสติจะได้เข้มแข็งการหัดรู้สภาวะบ่อยๆทาให้มีสตินะแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเราจะได้สมาธิ ตอ น, นนี้รู้ทันสภาวะให้เกิดสติก่อ น, นให้รู้ทันมีความรู้สึกอะไรให้รู้ทันไปเรื่อยไปสอนเอาเองไปภาวนาเป็นแล้วหนูเหรอคะอหนูหนูแค่วันนี้วันเกิดเขาค่ะหนูก็ไม่รู้ไม่ได้หากของขวัญอะไรให้ก็เลยอยากจะให้ตรงนี้โอ้ดีนะดีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะธรรมะเข้าค่ะเป็นของที่มีราคามากเลยจะซื้อไม่รู้ไปซื้อที่ไหนนะธรรมะ ไม่ต้องปลูกโบด้วยไม่ต้องใส่กล่องของหนูก็หนูรู้สึกว่าก็อย่างที่เห็นนะคะหลวงพ่ อ, อหนูเห็นเกิดดับแต่มไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีคำพูดหรอก <c oughs> ดูเกิดดับไปดรวยนะ <c oughs> จนใจมันพอ <c oughs> ใจมันพอแล้ววิปัสนาญาณที่สูงขึ้นก็เกิดการเห็นเกิดดับนั้นแหละเรียกว่าทำวิปัสนาแล้ว <c oughs> ขอบคุณเจา้าค่ะนมัตการหลวงพ่อครับคือที่ผมส่งกันบ้านวันนี้ผมกังวลอยู่อย่างว่าผมแยกธาตุแยกขันได้จริงหรือเปล่าเพราะมีบางครั้งเวลาแยกเนี่ยนะมันไม่ได้แยกตลอดเวลานะมันแยกตอนที่จิตมีพลังมากพอันี่ยบางทีก็รวมบางทีก็แยกแต่บางคนเนี่ยไปล็อกจิตไว้ ถ้าไปล็อกจิตเนี่ยแยกตลอดแต่จิตจะไม่เปลี่ยวจิตจะทื่อๆอยู่นิดหนึ่งนะงั้นตรงที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้แยกขันได้เนี่ยมันจะมี2ลักษณะลักษณะหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แยกได้ดีนะถูกต้องถ้าใจเราอีกแบบหนึ่งใจมันจะหนักแน่นๆอยู่นิดหนึ่งนะอันนี้แสดง ว, ว่าจงใจอยู่อันนี้ไม่ดีนะไปค่อยๆสังเกตเอาถึงถเมื่อ2วันที่แล้วผมฟัง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 อีกคำถามมันเรื่องกิเลสครับมนะีบางครั้งรู้สึกว่าเรารู้ว่าขนาดนั้นกิเลสกำลังครอบงาเราอยู่คือเหมือนกับมันมันไปรู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็มาคิดตามต่อ อ, อย่างนี้ก็อย่าปล่อยให้มันครอบงํำนะให้รู้ทันมันคือเวลาเรารู้ว่ามันครอบงาเนี่ยเราจะไม่ไม่ทําตามมันแต่รู้สึกได้ว่ามันทุกข์อ่ะใช่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 แต่ถ <Roy ce? S 2> ้าเกิดว่าไม่รู้มันก็ไหลไปเลยอย่างเช่นไปด่าเขาเลยด่าตอบอไอย่างเงี้ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้มีกิเลสก็ได้นะแต่รู้ว่ามีกิเลสถือว่าดีใช้ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับคืออย่าปล่อยให้กิเลสครอบจิตได้ต้องพยายามรักษาจิตใจเราไว้นมัสการค่ะเมื่อเมื่อไป กันยาต้นตุลานะคะโยมไปปฏิบัติธรรมที่นครปฐมแล้วหลังบ้าน่ะเขามีบอ่อปลาอืตอนกลางคืนตอนกลางคืนเขาวิทน้ำตอนเช้านะบอ่อน้ำแห้งเขาก็มีคนมาจับปลาโยมก็นึกถึงคําสอนของท่านว่ า, าการจับปลาเนี่ยมันก็ศีลก็ช่วงนั้นก็ขาดไปแต่พอเลิกจับปลาศีลช่วงนั้นก็มาศีลช่วงนั้นก็ครบเอแล้วโยมก็เห็นติดของโยมเศร้าหมอง พอเห็นจิตเศร้าหมองปุ๊บจิตอีกรวงหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยแหละคือจิตทุกข์จิตอันนี้เป็นจิตทุกขสัตว์ทุกในอริยสัจกระเป่าคะ่ะคือถ้าเห็นตัวจิตเป็นทุกเนี่ยนะอย่างน้อยภูมิธรรมเราต้องถึงอนาคาาแล้วตัวนี้เห็นทุกข์ไปก่อนนะถ้าทุกขสัตว์เนี่ยเมื่อไหร่ล้าสมู ท, ทัยเมื่อนั้นเลยนะยังไม่ใช่นะ <c oughs> แต่ดีที่เห็นจิตเราเศร้าหมองนะ <c oughs> <c oughs> อย่างบางทีเราเห็นเขาทําบาปเราก็เศร้าหมองนะเราสงสารเขาไม่อยากให้เขาทำอย่างเงี้ยอยากอย่าให้มันเศร้าเขาทําบาปเราเศร้าหมองไม่คุ้มเลยค่ะแล้วแล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิน่ะโยมก็เห็นเหมือนกับเมฆมันรวมตัวมาแล้วมันก็เหลือเหลือเห ล, อ, ห อ, เอเหลือเท่าเหรียญบาทออันนี้อันนี้เป็นการจิตรวมหรือเปล่าคะมันเป็นนิมิตเป็นนิมิตใช่ไหมะคะไม่ใช่จิตรวมใช่ไหมไม่ใช่ แล้วพอโยมออกจากสมาธิจิตเศร้ามองนะั้นมันก็หายไปอ่นะเนี่ะพอมันมีสมาธินะั่นก็ไม่เศ้ามองอ่ะแล้วแล้วยมไม่รู้จักว่าจิตทุกมันเป็นยังไงนะคะมันมันเป็นลักษณะยังไงะะตอนนี้เราเห็นแต่ทุกขเวทนาเนะีเราเห็นตัวเวทนาจิตมีทุกขเวทนาจิตมีสุ ข, ขเวทนาแต่เรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกหรอกนะกระทั่งกายเรายังไม่เห็นว่ากายเป็นตัวทุกจริงน mm hmm. ไทุกบ้างสุขบ้าง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 ไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีกว่าแล้วค่ะมีในการปฏิบัติรู้สึกว่าบางทีเราบังคับไม่ได้ค่ะบางทีที่ทําเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีผลแต่ว่ามันก็เกิดผลพอมีผลนั้นขึ้นมาแล้วก็มันก็เสื่อมไปอย่างนี้ยค่ะทิศจิตก็เข้าไปรวมแล้วก็รู้สึกตัวตื่นรู้อยู่อีกวันหนึ่งก็ก็หายไปเออมันไม่เที่ยงหรอกเพราะมันบังคับไม่ได้ก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำดองนั้นถูกแล้วล่ะ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 การปฏิบัติเนี่ยมันจะยากในช่วงต้นเท่านั้นแหละยากในช่วงที่ว่าทํายังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้แล้วก็แยกขันได้นะถ้าแยกขันได้แล้ว เ, เห็นขันแสดงใจรักได้แล้วเนี่ยถัดจากนี้ไม่ลําบากล้เราไม่ได้ทําอะไรขันแสดงใจรักให้เราดูทั้งวันเลยเรามีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้นะีนะ่แหละยากเย็นแสนเข็ญกนะว่าจะรู้สึกตัวเป็น กว่าจะแยกขันได้กว่าจะเห็นขันแสดงใจลักษ์นะบางคนเรียนกันทั้งนานบางคนเดือนหนึ่งก็ทำได้ละแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่พอเห็นแล้วต่อไปนี้ mm. เมื่อไรใจจะยอมรับอันนี้แต่ละคนไม่เท่ากัน mm. บางคนที่บารมีมากนะเคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วเนี่ยจิตมันยอมเร็วนะ mm. ก็จะรู้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลานา น, านจิตมันรู้ช้านะ mm. ในกรณีของหนูนี่ก็คือว่าก็คือดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะถ้าตอนไหนมันฟุ้งมากก็ทําความสงบเข้ามาเราที่การปฏิบัติยังอยู่ในร่องรอยบ้างไมอยู่คุณจ้าค่แต่ใจต้องมีแรงมากกว่านี้หน่อยนะวันนี้ใจไม่ค่อยมีแรงกราบนมัสการหลวงพ่อครับผม เคยฟังลงซีดีหลวงพ่อประมาณสี่ปีแล้วครับแต่ยังทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอยู่ครับออยากจะขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอฝากตัวไม่มาค่ะไม่ไปขอต่อหน้าครับสิแล้วบางทีก็ดูดูกายดูจิตบางทีก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับแต่ก็อยากจะให้หลวงพ่อเรานเราต้องไม่ไม่ร้ายกับพ่อแม่นะ พ่อแม่เป็นพระรหันต์ในบ้านงั้นใจเราต้องอ่อนน้อมใจเราจะภาวนาง่ายนะถ้าเราทำพ่อแม่น้ำตาตกเรื่อยๆนะภาวนาลำบากนะไปขอเข้ามาพ่อแม่ซแล้วก็การภาวนานะเพราะมันจะง่ายกว่านี้เวลาเวลาเดินนะครับเวลาเดินกับดูจิตนิ่มดูดูไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาเดินเวลาเดินแล้วเห็นัม่ร่างกายมันเดิน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 ถ้าเราเป็นผู้ดูสบายๆได้แนละ้วใช้ได้แล้วล่ะไม่จําเป็นต้องไปพุโทโธแล้วแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่จริตนิสัยนะอย่างหลวงตา ม, มหาบัวนะท่านพุโทโธตลอดเลยทำอะไรท่านก็พุโทโธแต่พุโทโธนี้เป็นการเตือนตัวเองรู้ทันจิตไว้เดินเดินไปเราพุโทโธพุทธโทด้วยทำอะไรท่านก็พุโทโธแล้วถ้าจิตท่านหนีไปแล้วท่านรู้เนื้อพิธีที่ท่านฝึกมานะท่านบอกท่านพุโทโธตลอดท่านเคยเล่า เนี่ยจิตแอไปคิดแล้วเนาะใช่ครับไ ป, <อ>ไปคิดนั่นแหละพุโทโธไว้ท้าที่จิตนีไปคิดเรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ทันจิตใช้ได้นะไม่ใช่ว่าภาวนาไม่เป็นหรอกขอบคุณครับภาวนาได้ดีอยู่พวกเราพาวนาเก่งๆ ก, ก็เยอะนะยกนี้ทางนี้ก็มีอยู่ข้างนอกพองภาว น, นาดีๆก็หลายคนใช้ได้พวกเราก็ฟังทมกันมาตามสมควรนะครับ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 ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวาเมีวาอโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโอวิวัชันตูสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกผวะอภิวาทนาสีลิสนิตจังวุทฒาปจายิโนจตาโรโอธรมาวทันตีอายุวันโอสุขขังผลังปะมังตุสั พ, พมังครังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะ สดาโสถีประวันตุเตสาธุสาธุวันนี้ต้องให้มากหน่อยนะขอให้แคล้วคลาดนะ <c oughs> มีสติมีปัญญารักษาตนให้พ้นภัย